ยิ่งผ่านร้อนผ่านหนาวมากขึ้นเท่าไรคุณจะยิ่งรู้ว่าการวางแผนอย่างชาญฉลาดการศึกษาข้อมูลอย่างรอบครอบไม่ได้ช่วยให้คนเราเลือกถูกทุกครั้งคุณต้องมีสัญชตาตญาณเลือกถูกติดตัวอยู่ด้วยเพื่อจะปลูกสัญชตาตญาณดังกล่าวให้ทำงานตั้งต้นคุณต้องไม่กลัวความผิดพลาดหรือจะพูดให้ชัดคือยอมผิดบ่อย กับทั้งทำใจเปิดหูเปิดตาดูเหตุผลของความผิดและกระทั่งพร้อมยืดอกรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นจิตจึงจะค่อยๆเข็ดหลาบกับการเหนื่อเดินผิดทางพร้อมกันก็เก็บข้อมูลภาคสนามได้มากขึ้นเรื่อยๆไปด้วยกระทั่งฉลาดคิดฉลาดเลือกให้ถูกไปเองได้และเพื่อให้เลือกถูกได้เองง่ายๆเกินครึง่งคุณต้องสร้างรากฐานความถูกต้อง ให้กับสัญชาตญาณด้วยสัญชาตญาณคือการรู้เองไม่ต้องเค้นคิดให้มากส่วนความถูกต้องหมายถึงความไม่เดือดเนื้อร้อนใจหมายถึงความเบากายสบายใจพูดง่ายๆว่าถ้าเหล็งเข้ามาที่ใจคุณจะได้รากฐานความถูกต้องที่แท้จริงไปเองเพื่อให้เกิดสัญชาตญาณหรืออาการรู้เองขึ้นมาได้ คุณต้องฝึกคิดเองในเรื่องที่ชวนให้รู้สึกดีๆและเพื่อประกันว่าที่คิดเองนั้นดีจริงก็ต้องดูหลักฐานเป็นความเบากายสบายใจของคนอื่นไม่ใช่เอาความมั่งมีสีสุขของตนเองเป็นเครื่องชี้บอกนั่นทำให้มองได้ว่าถ้าชอบกลั่นแกล้งคนอื่นให้เดือดร้อนถ้าชอบใส่ใายให้คนอื่นเสียหายถ้าชอบด่าคนอื่นเอามันโดยไม่ต้องรู้อะไรจริง ถ้าชอบด่วนตัดสินคนอื่นไว้ก่อนไม่รอศึกษาให้ดีก็เท่ากับชอบทำเรื่องเสื่อมชอบทำให้คนอื่นเป็นทุกข์โดยไม่ควรจะต้องเป็นทุกข์และนั่นเองคือเหตุให้สัญชตาตญาณของคุณโน้มเอียงไปทางเลือกผิดมากกว่าจะเลือกถูกเมื่อใดตั้งใจเป็นเด็ดเป็นขาดมีกกะใจคิดเองว่าคุณจะไม่จงใจเบียดเบียนให้ใครๆต้องเดือดร้อนหากทาได้จริง คุณจะรู้เพิ่มขึ้นทุกวันว่านี่เป็นชีวิตที่ดีชัดชดนี่เป็นจิตที่สว่างชัดๆนี่เป็นทางแห่งความสุขชัดชดชีวิตและจิตใจของคุณจะพัฒนาเป็นรากฐานให้เกิดสัญชตาตญาณเลือกถูกขึ้นมาได้เองแม้มีความเดือดร้อนดักรออยู่ข้างหน้าจูจ่ๆคุณก็จะเกิดการไหวตัวเลือกที่จะหลีกเลี่ยงได้เองหรือแม้จะต้องตัดสินใจครั้งสาคัญ ก็เหมือนเลือกทางถูกได้ง่ายๆเองโดยไม่ต้องเป็นทุกข์กับการตีตนไปก่อนไข้ให้เปลืองแรงเปล่า